21ที่มาของหน้าที่หน้าที่ของคนเรามีอยู่สองประเภทคือหน้าที่ที่ทำขึ้นเองกับหน้าที่ที่คนอื่นทำให้หน้าที่ที่เราทำขึ้นเองคือเราไปริทำอะไรเข้าเองแล้วก็เลยเกิดเป็นหน้าที่เช่นเรามาเกิดเป็นลูกเขาเราก็ต้องทำหน้าที่ของลูกและพร้อมกันนั้นหน้าที่ของญาติของพี่น้องก็พลอยติดพันมาด้วยกัน โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดไปรักกันเข้าหน้าที่ของคู่รักก็เกิดขึ้นถ้ารักกันเข้ามากๆแต่งงานกันหน้าที่ของผัวเมียก็เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อของแม่อยู่ไปนานๆนนก็อาจจะได้เลื่อนขึ้นไปทำหน้าที่ของพ่อตาแม่ยายถ้าอายุยืนต่อไปก็มีหวังดำรงตำแหน่งคุณปู่คุณย่าหรือปู่ทวดย่าทวด หน้าที่ก็ขยายขึ้นไปหน้าที่ประเภทนี้เมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องรักษาจะหลีกเลี่ยงหรือเพิกถอนไม่ได้หน้าที่อีกประเภทหนึ่งคนอื่นทำให้คือมีผู้แต่งตั้งมอบหมายเช่นหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกนัม น, นานในอำเภอเสมเียนหัวหน้าพนันะหนัวหน้ากองเจ้ากรมเจ้ากระทรวงและอื่นๆ หน้าที่เหล่านี้ทำขึ้นเองไม่ได้ต้องมีคนมอบหมายให้จึงจะได้ไม่ได้มาแล้วก็ต้องรักษาอย่าให้หน้าที่เขาเสียถ้าหน้าที่เสียตัวเราก็พลอยเสียด้วยหน้าที่ประเภทนี้แม้จะเป็นเรื่องที่คนอื่นทำให้แต่ก็เป็นความสมัครใจของผู้รับด้วยถ้าเราไม่อยากทำหรือทำดูแล้วเห็นท่าไม่ไหวก็อย่าทำคืนเขาไปเสียดีกว่าอยู่กับเราแล้วทาไม่ได้ เพราะถ้าคืนเขาไปหน้าที่ก็ไม่เสียตัวเราก็ไม่เสียถ้ารับไว้แล้วก็เสียทั้งสองทางคือหน้าที่เขาก็เสียหายตัวเราก็เสียชื่อคนที่ทำหน้าที่เสียมักจะเนื่องจากเหตุหลายอย่างอาทิดูถูกหน้าที่ทรยศต่อหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่และละทิ้งหน้าที่ไม่ว่าดูถูกหน้าที่ คือเห็นว่านาทีไม่สำคัญโยนความสำคัญไปไว้ที่คนอื่นเป็นพานรองก็นึกว่าความสำคัญอยู่ที่เสมียนเสมียนก็นึกว่าความสำคัญอยู่ที่ประจำแผนกะเป็นประจำแผนกก็นึกว่าความสำคัญอยู่ที่หัวหน้าแผนกนะคนเราถ้าชะตาจะไม่ได้เป็นคนสำคัญแล้วก็มักจะไม่เห็นสำคัญคือปัดความสำคัญออกไปไว้ที่อื่นเสียหมด ต, ตกลงก็ไม่ต้องได้เป็นคนสาคัญตลอดชาติ คนอีกพวกหนึ่งไม่ดูถูกหน้าที่ของตนแต่ชอบดูถูกหน้าที่ของคนอื่นเห็นงานของคนอื่นเป็นไม่สำคัญคนประเภทนี้ก็ทำความเสียหายให้ได้ไม่น้อยคือทำลายกำลังของคนอื่นทำลายความสำคัญของตนเองเพราะความจริงหน้าที่ทุกหน้าที่มีความสำคัญอยู่ในตัวแล้วทั้งนั้นแต่คนที่ไม่มีความสำคัญในตัว ก็ไม่เห็นความสำคัญของหน้าที่ไปเองกพเจ้าเคยเอาคำทายของเด็กๆมาพูดในเรื่องความสำคัญของหน้าที่ว่า mm. เมื่อเป็นเด็กๆ เ, เราเคยทายกันเล่นว่าคนหนึ่งเห็นไม่หยิบคนหนึ่งหยิบไม่กินคนหนึ่งกินไม่อิ่มคนหนึ่งอิ่มไม่ขี้คนหนึ่งขี้ไม่เหม็นได้แก่อะไรขอโทษเถอะที่ว่าตามคาของเด็ก อย่าหาว่าเอาของสกปรกมาพูดเลยเมื่อเป็นเด็กๆใช้ทายกันเล่นข้าพเจ้าก็ไม่นึกอะไรนักหนาแต่พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงทราบความหมายแล้วรู้ค่าของคำทายว่าคำทายนี้เป็นสูตรของคนดีเด็กเขาตอบกันว่าอย่างนี้คนเห็นไม่หยิบได้แก่ตาคือตามีหน้าที่เห็นหยิบอะไรไม่เป็นคนหยิบไม่กิน ได้แก่มือคนกินไม่อิ่มได้แก่ปากเป็นแต่กินไม่อิ่มเป็นคนอิ่มไม่ขี้ได้แก่ท้องคนขี้ไม่เหม็นได้แก่ก้นส่วนคนเหม็นอยู่ที่จมูกมันคนละคนทีนี้เราจะว่าหน้าที่ของใครไม่สำคัญนายก้นหรือแกทำอะไรก็ไม่เป็น เป็นแต่งานที่ว่านั้นอย่างเดียวเราจะว่าหน้าที่แกไม่สำคัญหรือพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเราเป็นผู้ใหญ่พูดไปผิดๆเสียผู้ใหญ่เปล่ปาๆลองนายก้นแกไม่ทำหน้าที่ของแกดูสิสามวันตัวร้อนจีต้องวิ่งมาหาหมอช่วยเกลี้ยกล่อมให้แกปฏิบัติหน้าที่อีกถ้านายก้นเกิดละทิ้งหน้าที่จริงๆเราก็มีแต่จะนอนให้สัปเหร่เข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น คนดีต้องเห็นความสำคัญในหน้าที่ของตนด้วยและเคารพในความสำคัญของหน้าที่คนอื่นด้วยและอย่าลืมว่างานทุกหน้าที่ย่อมมีความสำคัญอยู่ในตัวแล้วตั้งแต่หน้าที่พานรงขึ้นไปจนถึงรัฐมนตรีคนที่มองไม่เห็นความสำคัญของหน้าที่เป็นเพราะตัวเองขาดความสำคัญในตัวเองต่างหากต้องรีบคิดอาจแก้ไขตัวเอง